ธรรมชาดกแผ่นที่สิบลำดับที่ยี่สิบโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่29มกราคม2 5 5 7มีชื่อเรื่องว่าพาหิยะผู้ละได้เร็วตั้งใจฟัง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 ก็หลวงปู่ของเราเป็นต้นตระกูลต้นตระกูลของพระกรรมฐานในภาคอีสานหรือทางภาคเหนือแล้วทั่วประเทศที่เป็นศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงปู่มั่นเพราะฉะนั้นจึงถือว่าวันนี้เป็นวันมาหามงคลอย่างยิ่งที่พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกหมู่เหล่าทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายฆราวาส ได้พร้อมใจกันมาแสดงออกซึ่งความเคารพแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตวเวทิตาในองค์หลวงปู่ของพวกเราหลวงปู่ของเราท่านมรณภาพปี 2,492 แล้วก็ได้ไปชุมเพลิงวันที่ วันที่สองและ ว, วันที่สาม2493จากนั้นมาถึงวันนี้เป็นเวลา64ปีที่วัดสุททวารจังหวัดสกลนครแห่งนี้แล้วก็หลวงปู่หลวงตามหาบัวได้มาสร้างพิพิธภัณฑ์ด้วยความ ปารบของดรเฉาองค์มน ต, ตรีดรเฉานณศิลวันท่านได้มากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางอีสานจากนั้นท่านก็อยากจะมาดูว่าที่ประชุมเพิงหรือว่าที่ประชุมเพิงของหลวงปู่มั่นนะักที่ใดท่านก็มาดูพอมาดูก็มาเห็นอัฐบริขารของหลวงปู่มั่นอยู่ที่กุฏิ กุติก็ในช่วงนั้นหลวงปู่มหาทองสุขของเราที่เป็นเจ้ า, าวาดท่านก็ได้มรณภาพผ่านไปแล้วก็ยังผู้ที่มาดูแลช่วงนั้นก็ยังบุญบา ร, รมีก็ยังไม่เพียงพอกุติที่บรรจุอัฐบริขารหลวงปู่มั่นก็หลังคาลู่กระจกแตกที่ใส่อัฐบริขาร ท่านองค์ข้านตรีรัเตชาวมาเห็นแล้วก็โอ้อันนี้เป็นเจดีของสิทธิานุสิ์ควรจะเก็บให้เป็นสัดส่วนท่านก็เลยเข้าไปกราบองค์หลวงตามหาบัวองหลงตามหาบัวก็เห็นด้วยเพราะว่าท่านก็เคารพในองค์หลวงปู่มั่นยังสุดจิตสุดใจอยู่แล้วจากนั้นจึงได้เขียนแบบแปลนออกมาอันนี้คือแปลนของ อาจารย์ไขสีตันศิริเป็นผู้ออกแบบเป็นสถาปนิกจากนั้นพอออกแบบออกมาแล้วก็เนี่ยนะท่านองค์ข้าหลรีดกต์ชาวท่านก็เป็นประธานทางฝ่ายครวญผ น, นิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคสมัยท่านก็ยังครบมีหลว ง, ง, งปู่เทศหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ต่างๆแต่ยุคนั้นสมัยนั้นก็คือหลวงปู่แว่น ที่เป็นเจ้าอาวาลรักษาการอยู่ที่นี่หลวงพ่อทำไมจึงรู้เพราะหลวงพ่อเป็นพระอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดในการเคลื่อนไหวไปมาของสัษาษาทานาจธาญาติโยมตลอดถึงองค์หลวงปู่ของเราเพราะหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบ้านตาดปี2512อยู่ตั้งแต่2512จนถึง2525 แต่เจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นกับปีพศ .2518 นะถ้าหลวงพ่อจำไม่ปิดแต่ยังไม่ได้ดูก็ถามถามดูว่าเป็นปีไหนที่พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นหลงพ่อว่าคงจะถ้าว่าพวกศรัทธา ญ, ญาติโยมสงสัยก็คงจะสอบถามได้แต่หลวงพ่อไม่ได้ถามในรายละเอียดนะอันแรก็คื อ, ค, อความเป็นมา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 ท่านมากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านด้วยความถึงใจกราบแต่ละครั้งใช้เวลานา น, านมากท่านนั่งปนมมือทั้งที่อายุท่านอายุ9กสกว่าปีถ้าใครได้เห็นแล้วก็สึ้งในจิตในใจ เ, เพราะนั้น พ, พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือว่าเป็นทงชยัยเรียกว่าเป็นหลักชยัยเรียกว่าเป็นหลัก ของวงการของพระกรรมฐานเพราะนั้นอาตมาภาพเองหรือหลวงพ่อพอได้รับอาราธนาหลวงพ่อจึงถือเสมือนว่ามาเชิดชูบูชาตระกูลของเราคือต้นตระกูลของเราคือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะนั้น พวกเราคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานทุกหมู่เหล่าที่มาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเป็นบุญกุศลของพวกเราท่านทั้งหลายลต่อจ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้เมื่อแสดงธรรมจบลงแล้วหลวงพ่อได้เตรียม MP ็สที่หลวงพ่อได้แสดงหรือได้เทศในสถานที่ต่างๆ เพื่อจะเอามาแจกคณะตัดทา ย, ยาติโยมลูกหลานท้าว่าผู้ใดสนใจก็คอยรับได้เมื่อโอกลงพ่อเทศจบลงแล้วถ้าว่าฟังเทศวันนี้ยังไม่จูใจก็คอยรับ m อ็สาของหลวงพ่อได้นะคณะตัดทา ย, ยาติโยมลูกหลานทุกคนเอาต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะแสดงธรรมแล้วนะที่นี่นะแล้วก็กล้อง ถ่ายรูปถ้าเป็นไปได้ก็ให้อยู่ในความสงบซะก่อนอเมื่อลุงพ่อเทศหรือว่าแสดงธรรมจบลงแล้วะจะถ่ายรูป ก, ก็ไม่ว่ากันแต่ขณะที่ลุงพ่อกาลังพูดเนี่ยอย่างน้อยก็เดินป่วนเปียนทำให้ผู้นั่งฟังเสียสมาธิในการฟังถ้าาว่าถ่ายรูป ก, ก็มามีแฝดก็ลุงพ่อเองก็เสียสมาธิในการพูด เพราะนั้นขอให้พวกเราอยู่ในความสงบนานทีปีหนปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งหลวงพ่อก็ไม่ใช่มันจะมาแสดงธรรมทุกวี่ทุกวันก่อนที่จะมาได้ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าที่จะมาถึงที่นี่เพราะนั้นการที่จะมาที่นี่ก็มาด้วยความตั้งใจและอาจจะจะพูดสิ่งไหนออกไปก็พูดด้วยความตั้งใจอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านตั้งใจฟังเพราะว่า การฟังเรื่องว่าการฟังด้วยดีเรื่อว่าการฟังครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านจแสดงความคิดเห็นอย่างไรกานกรองออกมาจากอย่างไรจากใจของท่านเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองก็ในนามของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นเหมือนกัน ท, ท, ทูสังรัตเตปัญญ์ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาถ้าฟังคราวนี้ก็ได้แนวความรู้อย่างนึง แต่ฟังครั้งต่อไปก็ได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งฟังครูบาอาจารย์แต่ละองค์สุดแท้ท่านจะหยิบยกเรื่องอะไรมาพูดให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาล้วนแล้วจะเป็นแนวความคิดในทางพระพุทธศาสนาในรธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในรธรรมคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเพะฉะนั้นการฟังยึงจะไปถือว่าเป็นของ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 ปัญญาเกิดจากการไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังภาวนามาย์ปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วก็นํามาพิจารณาไตร่ตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นเกิดปัญญาสามารถที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจของพวกเราได้นี่แหละการฟัง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 นะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมปาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมปาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตัมมังคาเมวาจะทิวาทันจะเนวา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 บูชาบุคคลที่ควรบูชาหลวงปู่มั่นของพวกเราเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานเป็นผู้ชีน้นาเป็นผู้นำทางเออเป็นนายกเป็นผู้นำทางสำหรับสิทธิอนุสิทธิทั้งหลายเป็นที่ยอมรับกันทั่วนหน้าเพราะเหตุไรเพราะว่าท่านเป็นผู้แนะนำสั่งสอนพระธรรมคำสอน นำพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านํามาประยุกต์ใช้แล้วก็เมื่อนํามาสั่งสอนสิทธิญาณวิสิ์ทั้งหลายก็ยอมรับกันทั่วนหน้าแล้วท่านจุตินิราพานไปอธิธาตนของท่านกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่ในที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้และก็ไม่ใช่แห่งนี้แห่งเดียวที่ขั้นท่านผู้ใดถือเอาไปกราบไปไหว้ ก็ยอมรับกันทั่วนาวาาอธิธาต์ขององค์หลวงปู่มั่นได้กลายเป็นพระธาตุเป็นชิ่งจิงที่แปลกปรลาดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ท่านไม่แปลกประลาดสําหรับผู้ที่รู้เท่ารู้เรื่องบอกว่านี่แหละคือกระดูกของพระอรหันต์พระธาตุของพระอรหรันต์เพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะสิทธิญาณุสิทธิลูกหลานทั้งหลาย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 จะไม่คำว่าแสดงธรรมหรือแสดงความคิดเห็นกระผมจะไม่ขอกล่าวอย่างนั้นเพียงแต่ว่าจะขอบอกกล่าวเลวร์วรรแนะนำอยากจะให้พวกเราคณะสิทธิอนุสิทธิแนวแถวสายหลวงปู่มั่นอย่าให้ออกนอกลูกนอกทางให้ไปแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาเพ่พ่อยใดจึงพูดอย่างนั้น เพราะว่าต้นตระกูลของเราก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่เป็นประมาจาันแต่ท่านจะศึกษามาจากองค์ไหนอันนั้นเราไม่มีใครเป็นผู้ได้เขียนประวัติเอาไว้แต่ถึงจะมีประวัติก็ไม่ชัดเจนแต่องค์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่เป็นสิทธิ์ญาณสิทธิ์ของท่านมีมหาป ร, รีญญาหลายองค์ ที่ได้เข้าไปศึกษากับองค์หลวงปู่เสาหลวงปู่มันท่านก็ได้เขียนแนวทางและว่าประวัติขององค์หลวงปู่ทั้งสองให้เป็นประวัติเป็นแนวทางและว่าเป็นแนวความคิดจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็คือหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ฟันหลวงปู่ขาวหลวงปู่กองมาหลวงปู่ หลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่แหวนหลวงพ่อเล่เ ม, มีมากคือเป็นสิทธิ์ยาวนิสิทธิ์ขององค์หลวงปู่มั่นทั้งนั้นอันนั้นคือหลวงปู่มั่นคือเป็นพ่อครูบาอาจารย์ที่เราไล่เลี้ยงลงมาคือลูกแต่พวกเราท่านทั้งหลายในฐานะเป็นหลานท่นี้นี่แหละคือลูกหลานต่อไปกระเหลน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 เป็นพ่อถือว่าเป็นพ่อของพวกเราแต่ลูกเราพวกลูกหลานทุกคนหรือว่าน้องๆทั้งหลายที่เป็นพระสงฆ์ก็ศึกษา ม, มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่เป็นสายของหลวงปู่มั่นเพราะนั้นหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกน้องๆลูกหลานทั้งหลายให้ยึดแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราให้มั่นคง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 หลวงพ่อเองเป็นผู้บอกกล่าวเป็นแต่ว่าพี่น้องทางหลายเนะ้อตระกูลของเราท้งหลายเนะ้อก็ขอให้มองมองแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราไวนะ้เน้อให้เดินตามหลังให้เดินแนวตามแนวแถวปฏิปทาของท่านพาดำเนินถ้าพูดแบบคำพังเผยก็ว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดฮ่อันนี้ก็เหมือนกัน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 แต่ทั้งนี้ท้งนั้นกระผมเองหรืออาตมาภาพเองไม่ใช่ใจแคบว่าทำไมไม่ให้เดินไปแนวแถวสายอื่นเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านสอนให้ภาวนาพุทโธทหายใจเข้าพุทหายใจออกโธขาขวาพุทขาซ้ายโธเมื่อเดินจงกรมเพราะนั้นถ้าองค์อื่นท่านแนะนำสักสั่งสอนอย่างอื่น เออเราก็ไม่ว่ากันเพราะพระพุทธเจ้าวางกรรมฐานไว้าทั้ง40อย่าง40กรรมฐานหรือมากกว่านั้นถ้าพวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแต่หลวงปู่มั่นของเราท่านนํามาประยุกต์ใช้สองอย่างอาณาปานสติกับบริกรรมพุทโธสองอย่างมาผนวกกันเพราะฉนั้นจึงว่าสายหลวงปู่มั่นหรือว่าสายภาวนาพุทโธเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นศิทธญานุสิทธ์ก็เหมือนกับ วิชาอาชีพหนึ่งหลวงปู่มั่นในท่านสอนวิชาอาชีพหนึ่งอย่างวิชาทำนาเนี่ยกตัวอย่างนะเราวิชาทำนาหลวงปู่มั่นสอนวิชาทำนาวิชาทำนาเมื่อทำนาเสร็จแล้วก็ได้ข้าวเลี้ยงตัวเองทํามาค้าขายได้เงินแต่วิชาอื่นล่ะวิชากฎหมายล่ะวิชาครูล่ะวิชาปลูกมันสำปะหลังวิชาปลูกยางวิชา ต่างเยอะแยะไปหมดเลยทนี่เที่วกรรมาฐาน40แต่พวกเราท่านทั้งหลายนี่ยึดแนวแถวของหลวงปู่มั่นก็คือให้วิชาทำนาหลวงปู่มั่นพาดำเนินอย่างไรเราควรจะเชื่อมั่นในตแถวแนวแถวของหลวงปู่มั่นเพราะว่ากระดูกหรืออธิษฐานของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นน่าจะตายใจได้น่าจะยอมรับได้น่าจะเชื่อถือได้ น่าจะมอกกายถวายชีวิตในแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านเพราะว่าในยุคสมัยนี้อ<ม>ความคิดความเห็นแปลกแตกต่างกันหลวงพ่อจะยกเป็นนิทานหรือว่าเป็นเรื่องราวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาคือสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ ท่านเสล็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีท่านปารบถึงท่านพาพายะทารุจริยะท่านพพายะทารุจระยะเนี่ยท่านได้สำเร็จเป็นพระหันฟังเพียงแต่สามบาทพระคาถาสามคำพูดท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระหันเนี่ยความเป็นมาของท่านพายะเป็นอย่างไรเนี่ยคือสมัยก่อน ศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะออคือพระพุทธเจ้าในพัตกับนี้มีห้าพระองค์กกุสันโถโกณคมโนกัจโปโคตโมอริยะเมตโยโคตโมคือพระโคตมะพระพุทธเจ้าของเราพระอริยะเมตโยคือพระศรีอานที่จะมาตรัสต่อไปเป็นองค์ที่ห้าแต่พระกัจโปโธองค์ที่สเมื่อท่านพระ กัจโปเนี่ยเมื่อท่านได้สอนอพี่น้องประชาชนในยุค ข, ของพระ อ, องค์อายุคนสมัยนั้นอายุยืนถึงสอง0มื่นปีเมื่ออายุสอง0มืนปีท่านก็ไม่ได้วางศาสนาเอาไว้เพราะว่าเพราะคนแต่ละคนไปมุก อ, อีกสอง0มืนปีอีกต่อไปเป็นองค์สุดท้ายก็เพียงพ อ, อไม่เหมือนพร ะ, พระโคตมะของเราอายุ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 ออกนอกลูก่นอกทางบ้างแต่มีพระเจ็ดองค์เท่าไ่ให้ข้าไาเป็นพระหนุ่มเอพวกเราเห็นพระสงฆ์ทางหลายออกนอกลูก่นอกทางอย่างนี้เพราะทำคาสอนของพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็ยังเป็นสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วถูกต้องแต่ยังขาดผู้ปฏิบัติเท่านั้นเองแต่พวกเราไม่น่าจะนอนจมนอนใจ ในการเป็นอยู่พอเราควรจะออกไปปฏิบัติเอาแบบอุกฤิตายเป็นตายพระหนุ่มเจ็ดองค์จากนั้นก็ชักชวนกันทพอชวนกันไปก็เดินเข้าไปในป่าพอไปไปเห็นภูเขาลูกหนึ่งเหมือนเหมือนกับสูงโดดเด่งเหมือนกับขวดน่แหละขวดน้ำหรือกระติกน้ำะนะั่นแหละเทนี้ก็พอไปเห็นจิดพอภูเขาลูกนี้แล้วก็บอกกันเลยใครกลัวตาย กลับบ้านได้นะไทยกลัวตายกลับบ้านได้ถ้าพวกเราพวกเราพวกเราถ้าสู้แล้วก็เอาทําบันไดเลยหาไม้ไผ่แห้งมาแล้วก็ทำเป็นบันไดคาดขึ้นไปบนยอดภูเขาภูเขาเหมือนกับขวดเนี่ยอพอขึ้นไปถึงภูเขาทั้งเจ็ดองแล้วขึ้นไปด้วยกันแล้วแล้วก็บอกกันแนละ้ใครกลัวตายลงนะถ้าหากว่าใครไม่กลัวตาย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 น้ำก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีมีแต่พูดที่เป็นพระหานเหาะเขินเดินฟ้าได้เท่านั้นเองจะเอาตัวรอดได้จากนั้นพาทั้งเจองค์หาคนละมุมกันนั่งภาวนาเนะ่ยที่ได้ศึกษามาอย่างไรก็ไปว่าปฏิบัติสมถะอย่างไงวิปัสสนาอย่างไงพิจารณาอย่างไงถึงจะพ้นทุกข์ที่ได้ศึกษามาจากนั้นพอคืนแรกที่เป็นหัวหน้าองค์ที่เป็นหัวหน้าเพื่อน ได้สำเร็จเป็นพระหรหัสพอได้สำเร็จเป็นพระหรหัสท่านก็นูน่น อ, ออกไปเอาน้ำมวนปากแล้วก็ไปบินทบาทแล้วก็เอาอาหารมาเลี้ยงหมูเพื่อนหองเอ้ยผมไปได้แล้วนะพวกท่านทั้งหลายนะเอานี่อาหารผมมาแล้วนี่น้ำอยู่ตรงนี้มวนปากแล้วก็ฉันอาหาราที่ผมเอามาพระทั้งหกองบอกว่าท่านครับ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 หายปับยังเหลืออยู่หองพอมาคืนที่สองอีกองค์ที่สองภาวนาอีกได้สำเร็จเป็นพระนาคาพอนาคาท่านก็เห่อเหินเดินฟ้าไปได้อีกไปบินธบามาให้หมูฉันอีกหมูก็บอกว่าไม่ฉันเพราะว่าพวกเราได้ตั้งกติกากันไว้องค์ที่สองเนี่ยก็เออทางนั้นพวกเรานะท่านนะผมจะไปแล้วนะให้พวกท่านทั้งหลายภาวนาต่อไปนะ ถูกเราเดินมาถูกทางแล้วองได้ก็หายไ ป, ปอีกยังเหลืออยู่หองค์ท่นี้พอห้าองค์นั่งภาวนาเท่าไหร่ไม่ได้สำเร็จน้ำก็ไม่ได้กินอาหารก็ไม่ได้กินเห็นไหมความใส่ใจและความตั้งใจในธรรมของท่านท่านเสียสละจริงๆจากนั้นท่านก็เลิมมรณะภาพบนยอดเขาด้วยกันทั้งห้าองค์พอเมื่อมรณะภาพแล้วแตนเน่ต่างคนก็ต่างไปสู่พรหม ด้วยการทั้งนั้นด้วยอเนสงแห่งการปฏิบัติอเนสงแห่งการภาวนาแต่ในพอในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราพระโคตมะอุบัติขึ้นในโลกทีนี้ท่านเหล่านั้นก็ลงมาเกิดนลงมาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่หลวงพ่อจะนำยกเรื่องพระพาหิยทธารุจริยะองค์หนึ่งในห้องค์นั้น ท่านมาเกิดแล้วท่านก็เป็ น, ปนพ่อค้าพ่อค้าเรือทางทะเลเอาชักชวนไปทำทำมาค้าขายทางทะเลท่านก็ได้ขึ้นไปเป็นพ่อค้ากับกลุ่มตอนนี้พอไปถึงกลางทะเลเรืออับปางเรือแตกพอเรือแตกหมู่พวกเพื่อนทั้งหลายก็เป็นอาหารของปลาและเต่าอาหารปลาทะเลแต่พาหยะธารุจริยะ ได้ไม้กระได้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งอพอขึ้นได้ไม้กระดานแล้วก็ เ, กเสือกระสนเข้าหาฝั่งแล้วแต่น้ำทะเลน้ำจะซัดเข้ามาไปทางไหนท่านก็เกาะไม้กระดานแผ่นนั้นตลอดอพอเกาะมา้ีทั้งผ้าเสื้อผ้าก็หลุดลุ่ยไปหมดเไม่มีเสื้อผ้าเลยติดตัวเลยเจากนั้นก็เตงเสื้อผ้าเมาถึงฝั่งพอดีพอมาถึงฝั่งก็มอง ไม่เห็นอะไรที่จะปิดบังเ อ, เอาร่างกายของตัวเองไปเห็นแต่ปอปอที่มันน้ำซัดขึ้นมาในฝั่งทั้งก็เลยไปหาพระหาปอมาพันร่างกายของตัวเอง เ, อเพื่อกันอาอาจากนั้นก็ไปเห็นที่เขาม า, าบูชามาสังเวย เ, เป็นสารพระภูมิน่ะมีพวกกระลมงกระลมังอะไรที่มันอยู่ในสารพระภูมิ จากนั้นเขาก็เอาอาการมังนั่นแหละเข้าไปขอขอทานเหมือนกันแต่ขอทา น, า น, น, ทานแต่คนทั้งหลายเห็นโอ้อันนี้เป็นผู้มักน้อยสันโดษนี่ไม่มีเชื่อเสื้อผ้าใช้ปอพันตัวเองเท่านั้นเองอันนี้แหละคือพระหันหคนสมัยน้อนก็ตื่นเหมือนกันยุคสมัยนี้นะคนแต่งตัวแปลกๆนี่แนะหละทำตัวแปลกๆนี่ ก็เขเป็นที่ยอมรับเป็นคนตื่นตาตื่นใจของคนคนนั้นก็บอกพลรันคนนี้นก็บอกพลรันแต่ในพายยากเออเออถืออย่างนี้ก็มาก็ดีเหมือนกันการห อ, อหากินได้ง่ายเพราะเขาว่าเป็นพรลรันเราก็ต้องเป็นพรลรันอย่างที่เขาว่าพอี่สุดภายยากก็เลยถือลักษณะอย่างนั้นไปทีเดียวเป็นพูกกินน้อยอยู่น้อยออไม่นุ่งภายต่างหากทีนี้ ว่าเป็นพระรหันต์พออยู่ต่อมานานเข้านานเข้าตัวเองความคิดนี้มันเข้าไปฝังลึกในก จ, ใจิตใจว่ราตัวเองเป็นพระรหันต์จริงๆเพื่อนที่เป็นพรหมที่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติอยู่บนยอดเขาเ่ที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นพรหมเป็นพระอนาคามีท่านก็มองลงมาสู่โลกโอ้พาฮิยะธารุจริยานี่เดินผิดทางเสียแลว้ว ถ้าว่าไปยึดถืออย่างนี้ออกจากชาตินี้เป็นไปตกนรกอเวจีแน่ๆเพราะเหตุไรเพราะว่าการเข้าใจผิดถ้าเราไม่ลงไปบอกไปสอนเนี่ยพเพื่อนคงจะเสียหลักเสียแล้วคราวนีน่นั่นอะ่ะเป็นสหธรรมิกเป็นกระยาณนะมิตรที่ดีข่าใครตกทุกข์กได้ยากอย่างไรก็ต้องมองเห็นกันแต่ได้ท่านก็ลงมาจากพรมมายืนอยู่ในบนอากาศมากางอยู่การบนอากาศท่านก็ถามว่าภาหายะ เธอว่าท่านเธอได้เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมเธอรู้แก่ใจเรืออับปางกลางทะเลแล้วเราได้ไม้กระบาดดานมาแล้วก็เนีได้ผ้าได้ปอเชือกมาพันร่างกายตัวเองเพียงแค่นี้เหลือพระอรหันต์ไม่ใช่นะภัยยะเธอยาไปยึดอย่างนี้ไม่ได้นะตกนรกอเวจีนะเดี๋ยวนี้พระอรหันต์มีแล้วพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเกิดขึ้นแล้วในโลก นั่นคือพระรหันที่แท้จริงเดี๋ยวนี้อยู่ที่กรุงสาวัตถีคือพระพุทธเจ้าโคตมะนั่นแหะให้ท่านไปศึกษานะพายยะอันนี้เธอโกหกเขาเฉยๆรู้แก่ใจไม่ใช่เหรอทําไมท่านจึงทําอย่างนี้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของท่านเองพอพายยะได้ยินเท่านั้นแหะเกิดความสลดสังเวชใจในตัวเองอย่างมากใช่เ อ, อท่านพูดถูกต้องข้าพเจ้าเข้าใจผิดอย่างนั้นจริงๆเอาเถอะท่านก็เลย หาเสื้อผ้าได้แล้วก็นุ่งเสื้อผ้าได้แล้วก็เดินทั้งทั้งคืนเลยจนดันมาสูงกรุงสวรรค์ถีเลยพอมาถึงกรุงสวรรค์ถีสว่างพอดีจากที่ท่าเรือมาถึงที่นู่นนร้อยยี่สิบร้อยยี่สิกิโลว่างั้นนะพอมาถึงเสร็จแล้วก็คอยเลยถามพระสงฆ์บอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนครับ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 พรชีวิตเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนครับผมจะไปกราบเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ให้รอให้อยู่ไม่ยอมอยูออ่จากนั้นเขาก็ไปเข้าไปในเมืองออกรุงสาวรรถีพอไปเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสาวกกําลังเดินบิณฑบาตอยู่ในกรุงสาวรรถีพอไปเห็นเท่านั้นอ่ะพายะเห็นมองเห็นพระพุทธเจ้าคือก่อนในพบก่อนชาติก่อนท่านก็ได้เห็นพระพุทธเจ้ากัดเสปะ เวพอมาเห็นพระพุทธเจ้าโคตะมะคนะพอเห็นเขาว่าปีติทั้งหลายความอิ่มใจทั้งหลายมันซาเข้ามาอยู่ในจิตใจแปลว่ามันท่วมท้นหัวใจนับตาหลังไห ล, ลโดยที่ไม่ได้ไม่ได้คิดเลยปีติความอิ่มใจพอเดินก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพ่อกลาบแล้วก็ขอพระองค์จงแสดงทำให้ข้าพระองค์ฟังด้วยเถิดพระเจ้าค่านะพระเพระองค์บอกมองดู พาหิยะมันเต็มด้วยปีติคือความอิ่มใจมันท่วมทนถึงจะพูดอะไรให้ฟังมันก็ไม่ถึงใจไม่เข้าเพราะอะไรเพราะคนตื้นตันในจิตใจรพระองค์บอกว่ายังไม่ใช่โอกาสพาหิยะขณะนี้เรากำลังกําลังบินธบาตไม่ใช่โอกาสที่จะแสดงธรรมไม่ใช่โอกาสนี้พาหยะแต่นน้นพระองค์ก็เดินไปพอเดินไปอีกภาหยะก็ถามขอพระองค์จงแสดงธรรมให้ข้าพระองค์ฟังด้วยเทิด ข้าพระองค์ไม่ไว้ใจในชีวิตของข้าพระองค์พระองค์พระพุองค์ก็มองดูอีกว่าปีติของเขานะยังท่วมท้นหัวใจอยู่ยังไ ม, ไม่พร้อมที่จะฟังธรรมจากนั้นก็ยังไม่ใช่โอกาสภายะแต่พอครั้งที่สามความปีติในใจของภายะอยู่ในระดับที่จะเชื่อฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่า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 เพียงรู้เพียงเห็นเท่านั้นท่านได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์ทำไมท่านจึงได้สําเร็จเพราะว่าท่านบําเพ็ญอยู่ในที่บนยอดเขาอย่างที่ได้กล่าวได้หลวงพ่อได้กล่าวว่าท่านอยู่บนยอดเขาท่านบําเพ็ญแบบอุกฤษดเาบาบ า, บางเพรเต็มเต็มที่แล้วเมื่อได้ยินฟังทำคําสอนเพียงสองสามบาทพระคาถาเท่านั้นะท่านได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์ในเดียวนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่า ท่านได้บำเพนมาแล้วเพราะฉะนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายในอย่างวันนี้ละพวกเราได้มานั่งภาวนาบำเพนต่างกลมต่างวาระบุญบารมีเหล่านี้มันจะเกื้อกูลหนุนของเราในพบหน้าชาติหน้าในเมื่อเราได้ฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลโดยเร็วอย่างที่พราะพาหิยะที่ท่านได้สําเร็จจากนั้นเมื่อท่านได้สาเร็จแล้วเป็นพระหรหัสในขณะที่ฟัง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 พระองค์มองดูแล้วไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีบุญวาดาสนาไม่มีอนิสงฆ์ทานพระองค์บอกว่าพาหิยะเธอจงไปเสา ะ, ะแสวงหาอัถบริขารก่อนนะค่อยมาบวชนะเออคือถ้าหากว่าท่านทำบุญมาก่อนเพราะพระองค์จะเรียกอัฐบริขารหน่อยเอหิภิกขุอุปสมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำพินยัยเร่ากล่าวไว้ดีแล้ว เพียงเท่านี้แหละอัฐบริขารจะลอยมาแล้วก็ท่านก็เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาระ่ว่บวช ด, ด้วยเอหิภิกขุแต่นี้พระพายะถึงจะได้สาเร็จเป็นพระรหันต์แต่อันนี้สงไม่เคยทำไม่เคยทําบุญทําทานอัฐเรื่องอัฐบริขารมาก่อนพระเร้องค์ก็เรียกไม่ขึ้นเหมือนกันนะเพราะหะไรเพราะอันนี้สงไม่มีภายะเธอจงไปเสาะแสวงหาบริขารก่อนนะได้บริขารแล้วค่อยบวช ท่านไดับผมท่านก็ออกมาจากนั้นท่านก็เดินตโตเตไปท่านก็คงไม่ได้สังเกตเวัวเจ้า ก, กรรมนายเวรในอดีตชาตินะวัวตัวเมียในอดีตชาติคือเคยจงร้างจงผานผูกพยาบาทอาฆาตกันมาในอดีตวัวตัวนั้นก็เลยโดดมกิดเข้าไปในท้องอพาหิยะก็เลยตายอพอตายมรณภาพลงไปพระองค์ก็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 กอสถูปพระเจดีย์ไว้ในทางสีแพ่งเพื่อกราบไหว้เคารพสักการะบูชาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้มากราบทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าพาหิยะหนึ่งเขาตายแล้วเขาไปที่ไหนพระเจ้าขา่าพระองค์บอกว่าพาหยะเขาเป็นพระหันเขาได้ฟังธรรมของเราฟังที่ไหนพระเจ้าขา่าเอาเขายืนฟังในที่นั่นพระองค์พูดหน่อยเดียวเองพระองค์บอกว่าอย่าไปพูดว่า น้อยหรือมากคําพูดใดฟังแล้วเข้าใจผู้ที่ฟังเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงในคําพูดนะั้นถึงจะเพื่อพูดคําเดียวก็เกิดประโยชน์เป็นมหามงคลยิ่งสําหรับผูด้ได้ฟังแต่ถ้าว่าพูด เ, เลื่อยเ ป, ปเื่อยไปเรื่อยถึงจะพูดมากมายทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นภายะเขาฟังเข้าใจ รู้จะสักวารู้เห็นจะสักว่าเห็นจะให้ความสำคัญในการรู้การเห็นนั้นเพียงเท่านี้เขาก็ปล่อยวางเขาก็ได้สาเร็จเป็นพระหันเพราะนั้นให้พวกท่านทั้งหลายเอากระดูกของท่านไปไว้ในทางสีแป้งให้คนได้กราบได้ไหว้วัตถูปารหาบุคคลบุคคลที่สมควรที่จะสร้างสถูประเจดีย์ไว้ให้คนได้กราบได้ไหว้เคารพสักการะบูชานี่แหละ อันนี้ก็ขอให้พวกเราคณะรัตยาติโยมลูกหลานทุกคนคือพระในครั้งพุทธเจ้าในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะที่ท่านบําเพ็ญก็นี่แหละพวกเห็นการบูพวกเพื่อนย่อหยอดหรือว่าเห็นหมูพวกเพื่อนไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยท่านก็เลยตั้งเจ็ดองค์เลยปลีกตัวออกไปเพื่อบําเพ็ญแต่ในชาตินี้นะ แล้วก็องค์อื่นล่ะองค์อื่นก็คือองค์หนึ่งคือว่าเป็นพระกุมารกัตสป ะ, เ ป, เ, ะ, เ, ะ เ, เ, ปเป็นพระมหาเถระองค์หนึ่งกับพระจุนทะที่เป็นเป็นพระทหารอีกเหมือนกันแต่คนหนึ่งได้เป็นพระราชาอีกคนหนึ่งเป็นปริพายโชคแต่ท่านก็ไม่ได้กล่าวถึงปริพาชคกับพระราชานั้ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลยังไงแต่ว่าพระราชานี่ได้ยินว่าท่านได้เป็นพระอนาคามี ที่พระองค์ได้เทศให้ฟังแต่ผริภาชคนี้ท่านไม่ได้พูดว่าได้สำเร็จมรรคผลอย่างไรนี่แหละสรุปแล้วเมื่อเราสั่งสมคุณงามความดีสร้างบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วไม่มีทางที่จะเสียหายมีแต่มีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวเพราะนั้นขอให้ฝากไว้กับคณะศัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนการที่มาสังสมคุณงามความดีการที่มาประพฤติปฏิบัติธรรม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 ที่จะไปสู่ความสุขคือสวรรค์นิพพานแต่พระที่ทําความชั่วนี่มีไหมตกนรกอเวจีมีนะคณะัตหาญาโจมลูกหลานเพราะพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีอย่างเก่านั่นแหละพระพุทธองค์ปราลบถึงกัปปิละพิกขุฮะพระกปิละพิกขออุในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสจปะอีกเหมือนกันเมื่อพระพุทธเจ้ากัจจปะปรินิพานแล้ว ในตะระกูลหนึ่งมีพี่น้องสองคนสามคนทังน้องสาวและออกบวชในพระพุทธศาสนาในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะพอบวชแล้วก็ได้ถามพระอาจารย์ว่าได้ศาสนาในมีกี่อย่างพระอาจารย์เขาบอกว่ามีเมีสองอย่างคือคันาธารุระคือการศึกษาฝ่ายปริยัตวิปัสนาธุระคือออกไปบวชและปฏิบัติธรรม เพื่อพ้นทุกในวัฏฏสงสารทั้งสองคนนี่ก็พี่ชายบอกว่าเราอายุมากแล้วเราควรจะไปทางวิปัสสนาธุระแต่น้องชายบอกว่าผมยังน้อยหนุ่มอยู่ครับพี่ผมจะไปทางคุณคันถาธุระเพะราะก็เลยแยกแยกกันคนหนึ่งก็คือเรียนเรียนหนังสือพวกหนึ่งก็คือไปเป็นกรรมฐานอยู่ในป่า แต่องค์ที่เป็นไปเป็นกรรมฐานพี่ชายนี่ก็ไปบําเพ็ญด้วยความตั้งอกตั้งใจภาคเพียนไปนานถ้าก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่น้องชายนี่ก็เรียนทางปริยัติออแล้วก็นําปริยัติมาแนะนําสั่งสอนพวกสิทธิอนุสิทธิทั้งหลายมีสิทธิบริวารมากทีนีออ้พอมีสิทบริวารมากอติเลขาลาบก็มากขึ้นมาอีกเหมือนกันก็หลงในลาบในยศทีนี้ ผู้น้องชายแต่เน้นก็เห็นพระทั้งหลาย เ, เห็นหมู่พวกเพื่อนทั้งหลายไม่อยู่ในสายตาเห็นว่าพระทั้งหลายที่เป็นอยู่ด้วยกันนี่โง่เง่าเต่าตุ่นทั้งหมดตัวเองเป็นผู้ฉลาดจะได้เวลาแนะนําสั่งสอนก็บอกว่าสิ่งที่ดีเอ่สิ่งที่มันดีเอ่กับว่าชั่วสิ่งที่ชั่วกับว่าดีเอ่เพรที่สุด ในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจสปะโค้งสุดท้ายพี่ชายก็เลยเขาก็ไปบอกพี่ชายว่าท่านกับปิละเนี่ยเดินผิดทางใช่แล้วท่านขอให้พี่ชายไปสอนโดยเถิดพี่ชายก็บอกอืก็เลยออกมาก็เลยสอนกัน้องเธออย่าไปสำคัญผิดนะต้องอยู่ในหลักพระธรรมวินัยนะได้ยินว่าน้องชายไม่ลงอุโบสถใช่ไหมนี่ว่าไม่เกิดประโยชน์อุโบสถลงไปทำไม เออไม่เกิดประโยชน์อะไรจากนั้นก็ไม่อยู่ในหลักพระ ธ, ธรรมวินัยเป็นส่วนมากพี่ชายก็แนะนําสั่งสอนแต่ไม่ยอมไม่เชื่อผู้พี่ชายปิหลับหูหลับตาอยู่ในป่าท่านเองเออไม่มีความรู้เหมือนกับผมเห็นไหมลูกน้องบริวารศรัทธาญาติโยมนับถือเริ่มใสผมในมากขนาดไหนอาจารย์เนี่ยลูกพี่อยู่ในป่าหลับหูหลับตาเฉยๆเพลอเพลยังดูถูกพี่ชายที่เป็นพระอรหันต์ต่างหาก พลในสัตพี่ชายบอกเอาเถอะกรรมจะให้ผลจะรู้เองเมื่อภายหลังจากนั้นพี่ชายก็เลยเข้าไปป่าอยู่ในป่าต่อไปไม่ออกมาเลยจากนั้นพี่ชายก็ออปรินิพานอยู่ในป่าแต่น้องชายนี่ก่อนนนะ่ะพูดชั่วกายเป็นดีดีกายเป็นชั่วออมั่วไปหมดเลยจีนี่ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัย พลทน่สุดคนทั้งหลายสมัยนั่นก็ไว้แผลศาสานาของพระพุทธเจ้ากษัตริยทั้งที่จะเจริญยาวนานเพราะว่าผู้พระที่มาแนะนําสั่งสอนนั่นน่ะไปออกนอกลู่นอกทางพลทีสุดก็ทั้งแม่ด้วยทั้งน้องสาวด้วยก็เห็นด้วยกับผู้ที่มีบุญวาสนาที่ว่าเป็นผู้ร่ํารวยผลที่สุดก็เลยสนับสนุนยินดีกับ ผู้มีอติเลขาลาบคือน้องชายผู้เป็นน้องเนี่ยพอในสุดพอหมดอายุไขมัวปวดอายุนะพระกปิละองค์นี้ก็ตกอเวจีมหานรกผู้แม่ลงอเวจีมหานรกน้องสาวก็ลงอเวจีมหานรกเพราะเหตุใดเพราะว่าในกลุ่มเดียวกันทําให้ศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจ ป, ปะเสียหายแล้วก็ทําบาปกรรม ไม่ลงอุโบสถไม่อยู่ในศีลและวินัยนี่แหละจากนั้นพ อ, อยงลงอเวจีมหาณรลกแล้วท่นีต่อมาทนีในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่วัดป่าเชตตะวันกุงสาวัตถีตอนนี้มีพอมีชาวประมงอยู่ในใกล้แม่น้ำอเจลวดีกลุ่มชาวประมงห้าร้อย เขาก็ไปตกปลาในแม่น้ำมาเจระวดีไปได้ปลาทองขึ้นมาตัวบับใหญ่สีทองสวยงามมากปลาตัวนี้พอได้ปลาทองทีนี้เขาก็ตกปลาเป็นครั้งแรกอีกต่างหากเพราะเป็นตระกูลของชาวประมงะพวกหนุ่มทั้งหลายเขาลงลงตกปลากันเป็นครั้งแรกโอ้ลูกของเราตกปลาเป็นครั้งแรกได้ปลาทองอีกเลเอาควรจะเอาไปถวายพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าปัตเสินเหมือนกัน ก็เลยเอาใส่เรือเข้าไปเอาน้ําใส่สักหน่อยแล้วก็เอาเปลือใส่ปลาไปแห่กันไปไปพระเจ้าประเสริฐมองเห็นปลาโห้ปลาตัวนี้มันเราก็ไม่เคยเห็นเนี่ยปลาทําไมสวยงามมากแต่เวลามันอ้าปากขึ้นมาน้ำเหม็นคุ้งไปทั้งหมดทีนี้เอปลาทําไมถ้ามันปากเหม็นวะแต่ว่าปลาทําไมถ้ามันสวยงามเลยนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วคงจะไม่มีใครที่จะรู้เรื่องปลาตัวนี้ได้ ท่านี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลท่านก็นําปลาทองตัวนั้นไปนกราบพระพุทธเจ้าที่วัดป่าเชตะวันมหาวิหารแต่นี้พระองค์มองเห็นแล้วพระองค์บอกว่ามหาบุพพิษปลาตัวนี้นะเป็นพระภิกษุมาก่อนในาศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจส ป, ปะชื่อว่ากัปปิละนะพระปลาตัวนี้ชื่อว่ากัปปิละเดี๋ยวเราจะถามให้ดูนะจะถามให้ดูเออพระพทองค์ก็ว่ากัปปิละ เธอเป็นภิกษุในศาสนาของพระพุทธเจ้ากั ป, ปะใช่ไหมกัปปิละบอกว่าประเจ้าขาดอาป่าขึา้นมาเหม็นคุ้งทั่ววัดป่าเชตตะวันเลยสิเหม็นมากปลาปากปากปาาแล้วเธอมีพี่น้องโดยกันกี่คนในสมัยนั้นมีพี่น้องโดยกันสามคนครับพี่ชายและกน้องสาวและก็มีข้าบองค์และก็ ม, ะกมีแม่แล้วพี่ชายไปไหน พี่ชายเป็นพระหันแล้วครับผมเข้าสู่นิพพานแล้วแต่แม่ละ่ะแม่ตกนรกครับยังตกนรกอยู่น้องสาวละ่ะน้องสาวก็ตกนรกครับแล้วเธอล่ะกับผมก็เพิ่งผ่านมาจากนรกระเจ้าคขอแต่แตอนนี้พระองค์บอกว่ากัปปิละทำไมปีนมีสีทองเพราะว่าเขาบรรยาย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 ฉลาดไปอยู่ในหลักพระธรรมวินัยแต่ในพระเพ่อะฉะนั้นปากเขาจึงเป็นปากกำรรปากเหม็นแต่ว่าตัวของเขาเป็นทองเพราะเขาสนาดเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปลากรปิละนะ่จากนั้นพระองค์ก็ถามว่ากรปิละเธอออกจากนี้จะไปไหนกรปิละพิกษุก็บอกว่าข้าพระองค์ออกจากนี้ไปจะกลับไปสู่อเวจีมหานรกอีกพระเจ้าค่ะเพราะยังไม่พ้นกรรม พอว่าท่านเขาเลยเอาหัวฟาดใส่เหลือเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงจากนั้นข้อข้อก็ตายาก็ไปสู่นรกนี่แหละในเรื่องนี้ที่หลวงพ่อได้พูดว่ า, าพระพัยยทารุจริยะที่ท่านบำเพ็ญเพื่อหาทางพ้นทุกข์แต่ว่าอาย่างกะปิละท่านหลงในลาบในยศไม่ยินดีใน หลักพระ ธ, ธรรมวินัยทำกรรมชั่วในศาสนาของพุทธพุท ธ, ธะกันพิจ า, าราไดคนหนึ่งไปทางดีแต่คนหนึ่งไปในทางที่ทางที่เลวไปตกนรกเพราะนั้นหลวงพ่อเองในฐานะที่ว่าพวกเราในยุคนี้สมัยนี้เป็นสายของหลวงปู่มั่นโค้งหลวงปู่มั่นขอบอกกล่าวให้กับคณะทาญาติโยมลูกหลาน น้องนุงทุกทกทั้งหลายทุกคนขอให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยให้เดินตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรก็ขอให้พวกเราเดินตามหลักพระธรรมวินัยแล้วพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเย็นใจแล้วเรื่องการภาวนาของหลวงปู่มั่นถ้าเรามาพิจารณาดูตามแนวแถวของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าของเรา ท่านอยู่ในเวียงวังจากนั้นท่านหนีเสียสละออกจากเวียงวังเมื่ออายุยี่สิบเก้าปีไปบําเพ็ญอยู่ในป่าส่งผนวดและบําเพ็ญอยู่ในป่าถึงหกปีลองผิดลองถูกลองถูกลองผิด เ, เป็นเวลาหปีจากนั้นวันคืนที่ท่านได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาต์คือวันคืนเดือนหกแผ่นวันเดือนหกแผ่นวันที่ท่านได้ตัดรู้ท่านทําอย่างไร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 เห็นว่าคงจะนั่งไม่สะดวกเพราะมันคงจะรากโพพวกเราคงเคยเห็นว่ามันลอยขึ้นมาจากดีดินคงจะนั่งไม่สะดวกดวดโสธิยะขอนํา้มย า, าขาแปดกำมือถวายในเมื่อพระโพธิสัตว์สิทธัตถะได้ย า, าขาแปดกำมือท่านก็มาเกลีย่ยลงที่โคลนต้นโพแล้วก็เลือกมุมไปทางทางทิศตะวันออกนะโคนของโคลนต้นโพจากนั้นเมื่อโ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 มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นปฐมยามคือตอนหัวคำ่ำพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเพราะไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตพระไทยของพระองค์อยู่ในปัจจุบันมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออก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 กำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วมันยังหลุดอยู่ให้บริกรรมทีๆก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่ไม่ต้องบ่นออกปากนะให้ใจของเราเนี่ยที่มันนลกคิดนะให้บริกรรมสามทับอยู่จุดนั้นล่ะอย่าให้มันผงไปทางอื่นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ก็ทำจิตใจให้สงบได้นะแต่หลวงพ่อเองแนะนำสัทธาญาดโยมลูกหลานอีกเพื่อนกันนะ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 หลวงพ่อบอกว่าเวลามันเผือหน่งคือหายใจเข้านับ1 like หายใจออกนับ2 1คือเลขขี้2คือเลขคู่สคือเลขขี้สี่คือเลขคู่5้าสีเลขขี่6คู่7จขี้8ดคู่เก้าขี้10คู่ขี้คู่ขี้คู่ขี่คู่หายเจดนเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่ถ้ามันจะเผือมันจะเบอร์เบอเบอร์เสร็จแล้วมันจะหายเข้าหายใจเข้ามันเป็นเลขคู่แล้วทีนี้หายใจออกเป็นเลขขี้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 เมื่อเราภาวนาจิตใจของเรารวมสงบลงเพียงแต่ครั้งเดียวใจของเราจะไม่ลืมอันนี้แล้ววะขณิกะสมาธิแต่เราเมื่อท่านเราอยากจะให้มันเป็นอีกจะไม่เป็นนะไม่ต้องให้มันเป็นอีก เ, ออเราภาวนาไปเรื่อยน่ะไม่ต้องคิดให้มันเป็นอีกจากนั้นเราก็พ่อภาวนาไปเรื่อยๆต่อไปจิตของเราจิตใจของเราจะเข้มแข็งสติของเราจะแก้วกล้าขึ้นเป็นอุปจารสมาธิ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 เพราะเพราะว่าใจของเราไม่รับรู้ทางกายตาของเราไปต้องวานแล้วเราหลับอยู่แล้วแต่หูของเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ณสถานที่ใดใจของเรามีแต่รวมสงบนิ่งแต่ไม่ใช่หลับนะเรารู้ว่าเราสงบนิ่งสติเป็นอนไจิตเป็นนั้ น, น, นสติเป็นอะจิตเป็นนั้ น, น, นพอจากนั้นมามันก็ถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธินี่แหละ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 ถ้าจะพูดให้ชัดขึ้นมาอีกว่ารถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยโซเฟอร์สุดแท้ตโซเฟอร์จะขับไปที่ไหนจะขับไปตกเหวตกบอ่อจะไปขับชนต้นไม้จะชนคู่ชนคนได้ทนะั้งนั้นเพราะอะไรเพราะโซเฟอร์เป็นใหญ่นี้ก็เหมือนกันร่างกายของพวกเราเนี่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าพราะพุทธเจ้าให้ความสาคัญเรื่องของใจมากกว่า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 มาไหว้พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นแปลว่ามาไม่ถึงจังหวัดสกลนครพูดอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นพระธาตุและอติธาต์ของหลวงปู่มั่นอยู่ที่สกลนครแห่งนี้ถือว่าสกลนคร ข, ของเราเป็นสิริเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายได้มาร่วมกันแสดงออกซึ่งามุทิตาสการะแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา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 ขอบบุญขอบคุณท่านเจ้าขุนไว้ในโอกาสนี้ด้วยและก็พร้อมกันขอให้พี่น้องประชาชนทุกโมเหล่าที่มาร่วมกันจัดงานเพื่อแสดงออกซึ่งความกระตัญยุกะตะเวทิตาที่หลวงพ่อได้กล่าวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันพุ่งนี้นะศนัชธา ญ, ญาจโจมคล้ายๆว่ามันคันับขันมันมันมาจวกเหมาะกันทั้งหลา ย, ลายงาน